เราก็มีงานมีการอาชีพของพกเราคือศิคขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเจริญสติสัมปชัญญะอาศัยวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับชีวิตของเราคือกายคือจิตเรามาสร้าง คุณภาพคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นชาวไร่ชาวนาเขาอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยเมล็ดพืชมเมล็ดพันอาศัยข้าไถหปุ๋ยแรงงานเขายัางทำได้ได้เงินไท้ทองเป็นหมื่นเป็นแสนขนใส่รถใส่เรือไปขายได้อยู่ได้กิน เราที่ไม่ลำบากเหมือนอย่างนั้นนั่งอยู่ในกติของตนของตนเดินจงกรมอยู่ข้างกติจเจริญสติได้ไม่ต้องไปซื้อดินหานา้มหาคันธาตุคันไ ถ, นถที่ไหนอาศัยศรัทธาอาศัยสติอาศัยความเพียร อาศัยกายอาศัยใจที่มีอยู่นี่ามาผิดให้เกิดความรู้สึกตัวนี่คืองานของเราแค่นี้ก็ยังจะว่ายากทำไม่ได้มันเป็นปิจฉาทิฏฐิถ้าคิดว่าจเจริญสติไม่ได้นะเต็มที่แล้วชีวิตของเราหาไม่พบ ชีวิตของเราที่จะหาได้ต้องหาได้แบบนี้แหละถ้าไม่เช่นนั้นก็เกิดมาฟรีๆตายไปฟรีๆเก็บฟรีๆแก่ฟรีๆความเกิดความแก่ความเจ็ บ, ค ว, บความตายเอาไปกินหมดความโลภความโกรธความหลงเอาไปกินหมดนับใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นคี้์ค่าเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราจึงมาศึกษาจเจริญสติมันก็ได้ใช่ทันทีไม่เหมือนชาวไร่ชาวนาต้องเสี่ยงเสี่ยงกับแล้งบ้างเสี่ยงกับท่วมบ้างเสี่ยงกับภัยพืชต่างๆราคาก็อยู่กับตลาดที่เขาจะให้เท่าไหรอันนั้นยังเสี่ยง แต่ว่าการเจริญสติพลิกมือขึ้นลู่ทันทีได้ใช่ทันทีมีสติเห็นกายก็ได้มีสติไปเห็นกายทันทีเห็นกายบ่อยๆเห็นกายบ่อยๆสติมังก็พัฒนาเมื่อสติถูกกับกายมันก็พัฒนาทั้งสองอยากเหมือนพืชที่เขาปลูกลงในดิน ต้นพืชที่ฝังไว้ในดินก็พัฒนาเกิดรากเกิดลำต้นเกิดดอกออกผลมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติเชาวนาได้เอาต้นกลาก้าฝังลงในแปลงนาที่คาดที่ไถไถน้ำเข้าเปิดน้าออกข้าวของเขาก็อ ง, งอกองงอก็ ง, งาม เกิดดกออกผลได้อยู่ได้กินได้เลือดได้เนื้อได้ชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความสะดวกกับการใช้ชีวิตเลี่ยงลกูกเลี่ยงหลานเรามีสติลงไปที่กายผลผลของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเป็นมรรคเป็นผลเกิด ข, ขึ้นที่นี่ <c oughs> ไม่ต้องไปที่ไหน หามากักหาผลกับครูบาอาจารย์หามากักหาผลกับวัดโน่นอาจารย์โน่นอาจารย์นี่ท่านจะได้เป็นพระ ด, ดีได้บุญกับท่านได้กุศลจากท่านมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากหานอกตัวทําไมให้ป่วยกานดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขาไปใหนกายในชีวิตจิตใจเรานี่กายอนุคล้องศอกยาวหานหาคืบชีวิตเราเป็นๆอยู่เนี่ย ทำดีได้แล้วความชั่วได้เอามาใช้เอามาสร้างให้เกิดความรู้สึกตัวเอามาสร้างให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอยู่กับกาย <c oughs> มันก็ใช้ได้เกี่ยวกับกายได้อันน้สงทันทีอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่กายธรรมดามันเห็นมันเกิดปัญญาตรงนี้ด้วย มันเกิดมากตรงนี้ด้วยมันเกิดผลที่ตรงนี้ด้วยกายไม่ทำความชั่วกายทำความดีได้จริงๆกายไม่ทำความชั่วกายไม่ทำความชั่วอย่างเดียวก็เกิดมาเกิดผลเรียกว่ากายสุดจริบกายทำความดีเขาก็เกิดมาเกิดผลไปทำความดีเยอะแยะไปช่วยคนไปปลูกต้นไม้ไป แกไขสิ่งที่ไม่ดีไม่งามรวมกันกับสติกับปัญญาสติปัญญาขนกายไปใช้ขนจิตใจไปใช้สิ่งไหนที่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้มันก็หมดไปอันที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มันหมดไปเมตตามาใช้เกิดประโยชน์ประโยชน์มหาศาลนั้นเกิดขึ้นจากกายจากจิตของเราเอะไ้ทํา สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราได้ละสิ่งที่มันเป็นโทษสิ่งที่มันจะเสียหาย <c oughs> สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์นั้นก็ต่อต่อชีวิตเอาไว้ชีวิตมันต้องต่อต้องมีนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวตรงไหนที่มันจะหลงรู้ไปหมดแล้วตรงไหนที่มันจะทุกข์รูหมดแล้ว มันได้ทิ้งลงไปแล้วได้แก้ลงไปแล้วเหมือนกับพวกเราทํางานทําการความเป็นอยู่ของพวกเราคลองบ้านคลองเรือนคลองครอบครัวคลองคนครองงานงานตรงไหนที่มันหยุดดอนเราทําแล้ววัตถุอุปกรณ์ตรงไหนที่มันจะสูญเสียเราทําแล้วกู้แล้วเหมือนพวกเรากู้ กติกู้ศาลากู้สะพานมันก็ดีขึ้นมาทีิงเก่งศาลาห ล, <c oughs> หลังที่เรานั่งอยู่นี่ชื่อว่าฮอไตไถเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็เป็นที่อยู่ของปลวกที่อยู่ของปลวกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ตั้งอยู่บนหลังเขาโน้นปีหนึ่งจะมีคนไปพักไม่มาก ปวกอยู่สช่เป็นส่วนใหญ่เราก็กู้ลงมาใช่ได้แล้วมัมาตั้งไว้ตรงนี้นได้ใช่ทุกวี่ทุกวันมันก็ซึ่งใจที่เราได้ <c oughs> สิ่งที่ทำได้แก้สิ่งที่มันจะเสียหายทำให้มันดีขึ้นมาสาลานา้ำสาลาน้ำที่มันเป็นอันตรายมันจะล่ม มันเซมันสุดเราขุดสะน้ําจากน้ําจะไ ม, ะมีแต่น้ํา ม, มีแล้วมันไม่ไม่มีโอกาสที่จะแห้งคิดว่าอย่างนั้นเราได้กู้แล้ว <c oughs> เราได้กู้แล้วทันทันเวลาทันเวลาได้ใส่เสาใหม่ได้ยึดใหม่ได้ดึงขึ้นไหม่ยกขึ้นไหม่ อไว้โอ้ยมันซึ้งใจมันซึ้งใจในสิ่งที่เราทำมันจะเสียหายให้มันเกิดดีขึ้นมานะที่เราเอาดินมาถมห <c oughs> นะ้ากระตีจาย์กำพลน้ำไหลหลากลงไปตนลงไปสะโงไปหมดเลยน้ำไหลหลากลงไปตนลงไป พังลงไปขอบสะพังลงไปพวกเราได้เห็นโอ้ตรงนี้มันเป็นจุดดนเอาดินมาถมเป็นคันคูอุ้ยตึบลงไปมูมันซึื่อใจไม่มีทางที่จะพังจะไหลลงไปนั่นเองเปลี่ยนให้มันไหลเข้าไปท่อเป็นที่เป็นทางอะไรอะไรที่มันจะเสียหายเราได้ทํำกายของเราใจของเราเนี่ย จะให้มันพังมันเพยมันสุดอยู่ตลอดมันจะมีประโยชน์อะไร ท, ทั้งที่อยู่กับเราเราไม่ช่วยเราไม่แจ่ยังหลงอยู่ยังทุกอยู่ยังโกรธอยู่โกรธก็อยู่กับกายอยู่กับใจทุกก็อยู่กับกายกับใจปล่อยให้มันทุกปล่อยให้มันหลงอยู่เช่นนั้นชี <c oughs> วิตเรามันจะประเสริฐตรงไหนอะไรที่มันจะเป็นชีวิตปริญญาหรือทรัพย์สินเงินทองหรือ เทคโนโลยีอะไรที่เราเรียนโูกมาเราได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับกายกับใจอะไรคือมันเป็นที่สุดของชีวิตเรานี่แล้วการมาเจริญสติเนี่ยการมาเจริญสติอย่าไปฟังเสียงอะไรมาฟังเสียงตัวเองเสียงมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วมันก็มี ตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมันจะเกิดตรงนี้โลกมันจะมีรสชาติตรงนี้หลงก็หลงตรงนี้โอยถ้ามีสติหรออ้ยฮะมันตึบลงไปตึบลงไปโยนลงไปตรงไหนมันจุดออนสร้างให้เกิดความเข้มแข็งตรงไหนมันจะเสียหายปรับปรุปรงซ่อมแซมให้เกิดความดี จเจริญสติส้มแสมชีวิตเราเหมือนกับรถมือสองถูกบวบถูกช่อมถูกหลงถูกโกรธมามากซ่อมลงไปเข้าอู่มีสตินั่งยกมือสร้างจะว่ามันดีไปเรื่อยๆนะลู่ที่กายลู่ที่กายไปนะแล้วมันก็มีงานมีการเรียนลู่ไปเรื่อยๆเรียนลู่เกี่ยวกับกายกีับใจไปเรื่อย เรียนรู้เกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยมันมันเป็นศาสตร์ต่างๆพระพุทธเจ้าของเรามาพบตรงนี้อะไรที่เรียกว่าปัญญาอันที่เป็นปัญญายอดของปัญญาคือปัญญาพุทธะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราถ้ามันจบตรงนี้อะไรก็ง่ายไปเลยบัด น, นี้นะเหมาะแก่การงานสนุกทํา ง, งานนะ เขาอยจับด้ามจอบมาสองสวันเน อ, อ้สนุกฝนตกเมื่อวานนีชอบดีสุดเลยปล่อยผ้าอังศาขดจอบโอ้มันก็ทำได้ยืนทำงานถือว่าทั้งวันก็ได้เมื่อวานแข่งผลทำไม่มีแสงแดดโอ้ดีมันก็ทำสนุกสนุกไม่ใช่เป็นทุกขอ่านทำงานทำงานไม่ใช่เป็นทุก การช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นเสียงอื่นวัตถุนไม่ใช่เป็นทุกขมันเป็นงานชอบมันเป็นสมมาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นนี่จะไปกลัวอะไรนะว่าแต่เรามารู้เรื่องกายเรื่องใจของเรามันก็ะจายไปหมดเลยกายแค่นี้ใจก็ น, นี้แค่นี้แต่มันจะเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งเราจึงมาสร้างตัวไห น, น อย่าเพิ่งไปหลงไปอะไรที่ไหนมากมายหันมามองตนเองวันหนึ่งวันหนึ่งมีสายตากับมองกับเข้ามาหาตัวเองมีหูกับฟังเสียงตัวเองมีกายมีจิตก็ดูตัวเองช่วยตัวเองรักตัวเองแก้ไขตัวเองจงเตือนตน้ดยตนเองจงแก้ไขตน้ดยตนเองจงมีสติ รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ ส, สึกตัวทวารทั้งหมดสติรู้สึกตัวเป็นยอดของทวารทั้งหมดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ว่าต้องสร้างนะถ้าไม่สร้างมันก็ไม่ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาก้มหน้าก้มตาทำสนุกสนุกอย่าไปอยากการเจริญสติไม่เกี่ยวกับความอยากการเจริญสติไม่เกี่ยวกับเหตุกับผล การเจริญสติไม่เกี่ยวกับผิดกับถูกเหนือไปเลยถูกก็เห็นผิดก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นมันจะแสดงออกมาตรงไหนตรงไหนแบบไหนฉากไหนเห็นทั้งหมดเห็นทั้งหมดเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆมันเราจะเกิดปัญญาตรงนั้นด้วยเห็นความหลงก็เกิดปัญญาเห็นความโกรธก็เกิดปัญญาเห็นความทุกข์ก็เกิดปัญญา เห็นความยากก็เกิดปัญญาเห็นความง่ายก็เกิดปัญญาปัญญาหาได้แบบนี้นะไม่ใช่ใครให้เราปัญญาหาได้จากตัวทุกข์นี่แหละถ้ามีทุกข์ต่อถือว่ามีพุทธะแล้วถ้าเห็นนะถ้าเห็นแล้วลพุทธะเกิดขึ้นบนของกองทุกข์้าไม่มีทุกข์เป็นพุทธาไม่ได้ผู้ลู่ผู้ตื่นตื่นหมดนี่แหละตื่นทุกข์ตื่นหลงตื่นโกรธแค่นี้เอง การปฏิบัติทมถ้าไม่มีสติจะไม่ตื่นนะเงียบไปเลยถ้าหลงก็เงียบเขาไปอยู่ในความหลงถ้าทุกข์ก็เงียบเขาไปอยู่ในความทุกข์ถ้าโกรธก็เงียบเขาไปอยู่ในความโกรธไม่ทักท้วงไม่ดูแลไม่ตรวจสอบยอมจํานวนทุกเรื่องไปถ้าหลงนะถ้าไม่หลงเนี่ยโอ้ยไม่จนนํานวนมันต้องเป็นอิสระมันต้องเป็นอิสระภาพชีวิตเรา ธรรมมาทิปไตยความถูกต้องมันมีความหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องกว่าความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องกว่านี่สิทธิธรรมมาทิปไตยทำเป็นใหญ่ทำเป็นใหญ่ในตัวเราเมื่อทุทกคนมีทำเป็นใหญ่ในชีวิตเรามันก็กระจา ย, ยต้องเป็นทำเป็นใหญ่ต่อโลก ธรรมมาที่ปเตยยะปลาลบธรรมเป็นใหญ่โลกาที่ปเตยยะปลาลบโลกเป็นใหญ่อัตตาที่ปเตยะปลาลบตนเป็นใหญ่ไม่ถูกต้องการปลาลบตนเป็นใหญ่ถูกบ้างแต่ไม่ถูกเสมอโลกาที่ปเตยยะปลาลบโลกเป็นใหญ่ถูกต้องแต่ไม่ถูกเสมอไปแต่ว่าธรรมมาที่ปเตยยะเป็นใหญ่ธรรมที่ถ claro ูกต้องที่สุดนะ ต้อมาสร้างตัวเด็กกันทุกชีวิตต้องมาสร้างตัว น, น, วนี้เริ่มต้นจุดนี้กันเริ่มต้นกอ่อไว้พอความรู้สึกตัวที่กายอย่างพูดแล้วพูดอีกเห็นกายจนกายหลอกมาได้ขี้หนะ้าอะไรที่เกิดขึ้นกับกายขี้ได้เลยขี้ได้เลยมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกายรู้ความรู้สึกตัวนะ อะไรที่เกิดขึ้นกับเวทนาะที่มันเป็นสุขเอาซ้ำไปอึกซ้ำเติมลงไปอีกกู้ไปอีกกายแล้วลไพ่พอยังมีเวทนาะเอากู้ออกไปอีกโอ้สนุกกู้ชีวิตเคยจมลงไปในกายเคยจมลงไปในเวทนาะกู้ได้กู้ได้เคยจมลงไปในกิตที่มันคิดตัวนี้ก็สาคัญหอบหิวไปเราเราไปเท่าไหร่เท่าไหร่ หิวลงไปคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ดไไดปทัทธพอมามีสติแล้วปทัทธุไอเจ้าความคิดเจ้าสังขารเจ้าสมุทยัยเจ้าสังขารหิวลงไปคิดอย่างเดียวไป8ปดรหลายอย่าง8ดหลายหลายอย่างคิดอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นมากมายนับไม่ถ้วน เิเลตันหาเกิดความลักความชัง่งเกิดความโลภความโกรธความหลงหิวเรไปเราไม่รู้เราไม่เห็นเรามอกกู้ตอนไหนเกิดรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวค่อยยึดไปค่อยยึดไปความรู้สึกตัวกระจายอำนาจไปยึดพื้นที่เหมือนนกรบที่เขาไปลบยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ไป ชอบทำชอบทำเกิดขึ้นอยู่บนกายความชอบทำเกิดขึ้นอยู่บนเวทนาความชอบทำเกิดขึ้นอยู่บนจิตใจเมื่อมีความชอบทำเกิดขึ้นตรงนี้แล้วความชอบทำเกิดขึ้นที่ทำเลือกเป็นระบัลกุศลเอากุศลเอากุศลและกุศลสร้างให้มีให้เกิด อยู่ตรงไหนอยู่กับกายกับใจเห็นไหมง่วงเหงาหอนนอนลองเลสงสัยพยาบาททีนั้นม่ทักอักุศลพยาบาทบางทีมันเกิดขึ้นมานะการมลาลาคะก็เกิดขึ้นเป็นอากุศลเป็นอกุศลละมีสติเข้าไปไม่ได้ละดอกละดินมือเดียวเพียงแต่กดชวีกปบัสบสวองสวัยรู้สึกตัวเราก็พร้อมแล้วยกมือพลิกมือ อย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายกับใจพิกมือช่วยหายใจช่วยน้อยๆแค่นี้แหละมีพลังหายใจก็รักษาโรคได้พิกมือขึ้นก็รักษาโรคได้มันวิ่งอยู่ก็หยุดได้มันทุกข์อยู่ก็หยุดได้มันหัวเราะร้องไห้อยู่ก็หยุดได้ถ้าพิกมือรู้สึกตัวหายใจยู่รู้สึกตัวนคนโบราณเขาสอนกัน มันโกรธหรือจะด่ากันนี่หายใจเข้าหายใจออกสักสิบรอบจึงค่อยด่ากันมันด่าไม่ได้ถ้าหายใจเข้าหายใจออกสิบรอบนะความโกรธมันไม่มีตัวไม่ตนวันไม่ใช่ตัวใช่ตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนพระาบาทก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนกามมราคะก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราดูดิแล้วก็หายใจเข้าไม่ต้องไปวิ่งไปตามมัน กูโกรธต้องไปด่ามัน่นหม่ใช่หอ้ใจเข่าพิกมือสรเจ้าจว่านี่เรียกว่ากลับปฏิบัติคือกลับปฏิบัติคือกลับคือกลับมากลับมาลู่ศึกตัวกลับมาลู่ศึกตัวเอาวัดสดุอุปกรณ์ที่มันมีอยู่นี่ใช้มันต้องไปหาที่ไหนเหมือนเราศึกษาวิธีอื่นการศึกษาวิธีอื่นต้องไปดูไปทัศนศึกษาไปเอา เครื่องมือมาศึกษาอะไรต่างๆอันนั้นก็ใช่อยู่ออใช่ใชอยู่เอาจริงๆตัวนี้ที่ช่วยเราช่วยชีวิตคือตัวนี้ช่วยชีวิตของเราที่ไม่ที่ได้ชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิตความรู้คือชีวิตความโกรธไม่ใช่ชีวิตความรู้สึกตัวคือชีวิตนี่ชีวิตของเราไม่เป็นอะไรกับอะไรให้ได้ชีวิตในลักษณะแบบนี้ ไม่ใช่ว่าชีวิตเรานับเอาห้า0ิบปี30สิบปี7 0ปีเจปีหลวงพ่อก็7จ็ปีว่าได้ชีวิตอุ้ยไปใช่อ้ยเจดสิบปีแก่แล้วหรือไม่ใช่เป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากเรื่องหนึ่งต่างหากชีวิตมันไม่มีอะไรมันไม่มีเกิดไม่มีแก็บไม่มีเก็บไม่ตายคือมันไม่เป็นอะไรนชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรกับอะไร ทำไมจึงไม่เป็นอะไรกับไรเพราะมันรู้สึกเพราะมันรู้สึกมันเห็นทุกเรื่องเห็นหมดในเรื่องของกายของใจ8ป0 0ม่สี่พันอย่างรู้ความรู้สึกตัวไปเปิดไปเผยดูหมดแล้วเ้าแถวมาอให้ดูหมดไม่มีตรงไหนลี้ลับความรู้สึกตัวเป็นตาทิพเป็นตาภายในนะรู้สึกรู้สึกนี่ อย่ามัวลังเลกันอยู่นะพวกเราก็ยังไม่สะดวกหลายอย่างความไม่สะวกความยากลำบากอาจจะทำให้เราเข้มแข็งต่อสู้อย่าโทษทิ้งอย่าโทษแท้อย่าดถา ด, าดถอยบางทีน้าก็เน่าบางทีน้าก็เหม็นบางทีน้าก็ไม่มีบางทียุงก็เยอะบางทีก็ไม่มียุง ไม่ยาติี่รมของเราพอมาชั่วโมงเดียวมายืนอยู่รอกุณเจยุงกัดเปิดหนีไปเลยเออช่วไม่ไหวช่วยไม่ไหววัดนี่ยุงเยอะวัดนี่ยุงเยอะบางทีมันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวบางทีได้กลิ่นใหม่ๆนะได้กลิ่นใหม่ๆมันก็ชอบนะยุงอย่างเราไปอยู่ในป่านะ ไปนั่งอยู่ในป่ามันได้กินใหม่มันบินเข้ามากัดบินเข้ามากัดให้ทนเฉยหน่อยดูสิเอาไปเอามาเอาไปเอามาเอาไปมามันก็ไม่ตอบมากัดเหมือนกันนะมันได้กลิ่นนะเรานั่งเจริญสติอยู่ในป่ายุงที่แรมกมันลุมใส่เหมือนกันนะพอ น, นั่งไปนั่งไปนานๆมันก็ไม่เคยกัดนะไม่ลุมเพื่อนเดินมาหาพอเพื่อนเดินมายุงลุมใส่อีกแล้วเนี่ อุ้ยโยมกัดย่อมเท่าตุบตัเฮ้ยบบเอาคนนั่งอยู่นี่ทำไมยโยมมากัดเอามันได้กลิ่นมันลืมไปแล้วท่านมาใหม่มันได้กลิ่นใหม่มาเลยตื่นเต้นมาเลยมาตอมมากัดมันเป็นอย่างนั้นก็ได้อยู่นะแม่แต่งูแม่แต่เก้งแต่กวางถ้าได้กลิ่นใหม่ให่นี่มันก็ตื่นนะงูจงอางในถ้ากลิ่นเล่ากลิ่นบุหรี่ระวังนะชูคอขู่เลย พอเธอกลิ่นเขาเราถ้าอยู่ไปอยู่ไปมันก็คูนยาที่ทำมาพอมานั่งมายืนอยู่เราอาศัยกุญแจเข้าห้องไม่ได้ยืนยุ่งกัดเวลานั่นเป็นเวลายุ่งพอดีพบข่ามันก็มีเป็นบางเป็นบางลืกนะลืกมันก็มีนะเลือกอบเอ้าบ้างยุงก็ดุงูก็อยู่ก็ดุถ้าอากาศไม่อบป้ามันก็ไม่เป็นไร คนโบราเขาว่าถ้ายองสุกสนมากๆกัดมากๆผนอาจะตกมันมีดีหรืออบเอามากๆเข็ดอาจจะออกมันก็มีดีหลายๆอย่างยองก็ดุงูก็ดุเวลาใหนที่อบเอ้ามากๆไปเอาพึ่งเลี้ยงพึ่งพึ่งกัดนะเพราะใจมันไม่ดีมันอบเอา้าเหมือนกับคนเรานี่แหละไม่มีศินไม่ทำอากาศกา็ชีวิตของเราก็เป็นไปตามเสียงเวรร่วมเหมือนกัน ความร้อนอ้าทุกความหนาวอ้าทุ ก, ก cool ความหิวก็อู้ทุกความยากก็อ้าทุกทุกกปถ้าไม่มีสติถ้ามีสติมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นแบบนั้นนะถ้ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติว่าแต่เราเซอเริ่มเริ่มสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเอาไปก่อนเราไปก่อนอย่าฟังเสียงอะไร อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาอย่าไปดูอะไรเอาผิดเอาถูกกับอะไรเอายากเอาง่ายกับอะไรเอาความยากของไม้ไม่มีปัญหาสาหรับเรานะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปรู้สึกไปนะ ว, นนนะวันนี้นะวันนี้นะคนมันตกลงมาก็คิดถึงต้นยางงามงามต้นประดูงามงา ม, งา ม, งามต้น <c oughs> ต้นอะไรต้น ต้นแดงงามๆอยากจะไปปลูกซ่อมบนหลังเขาถ้าใครอยากจะปลูกก็ให้บนไปตอนบ่ายๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงคนรดต้นสองต้นดีไหมชีวิต <c oughs> ดีนเนาะตอนบ่ายๆให้ให้อาจารย์หวนขน ทนไม้ขึ้นไปวางไว้วางไว้วางไว้วางก็ขุดหลุมขุดหลุมลึกๆต้นใหญ่ๆจะยกไหวหรือเปล่าพวกเรานะสามกิโลใช่ไหมเขายกไหวมันไหวอยู่นะแต่ว่าไหวแบบไหวไม่เอาไหวแบบไม่กระทบกระเทือนไม่เบ้าไม่แตกนะเบ้าไม่แตกเวลาถอดถุงออกจากเบ้ามันอย่าให้เบ้ามันแตก ย้อนลงไปในหลุมอย่าให้เบ้ามันแตกเนี่ยไหวแบบนี้นะไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันยกได้สองสามกิโลไม่ใช่คำว่าไหวเนี่ยคือไม่ให้กระทบกระทบกเทือนปลูกให้สาเร็จเห็นฝนตกลงมาก็ชิดถึงต้นกลา้าต้นไม้ที่เราเอามาไว้ตรงนี <c oughs> ้ให้มันจเจริญเติบโตไปตามปีตามเดือนของมนอันนี้ก็คิดว่าวันนี้นะจะปลูกต้นไม้อีกสักรอบหนึ่ง อาจจะไปเอาคนงานมาจากบ้านหนองแวงสักสิบคนแล้วพวกเราก็เสริมเข้าไปเนาะเออสุดท้ายก็ลงมาที่ต้นไม้นะก็ปลูกต้นไม้บ้างปลูกสติบ้างปลูกความรู้สึกตัวบ้างไปพร้อมกันปฏิบัติทำบ้างช่วยคนอื่นมาโอ้ฉันยังไม่ได้มันรู้ทำยังไม่ได้ทำอะไรดรอกไม่ใช่ดอกทำได้ รู้สึกตัวไปกับปลูกต้นไม้ลองดูมันจะยากขนาดไหนมันจะล้นขนาดไหนมันจะเหงื่อไหลขนาดไหนบางทีเราปลูกต้นไม้อยู่โยงกัดมือก็เพื่อนก็จะมาไล่ยุงกําลังมาครองต้นไม้อยู่ก็ดูดเลือดเก็บเก็บโอ้ลูกสึกตัวเอาเอาเอาไปสักหน่อยซะยุงเก็ไม่ต้องอะไรมันเออกลัวจะวางมือแล้วก็โยุงก็ไปกินเลือดไปแล้วเออไวปเป็นเลก็ทําใจทําใจทําใจทําใจเนาะ ่วันนี้ก็สมควรใจเวลาก็กราบพระพร้อมกัน